เสเก้าช่องเนะี่ยมันเป็นช่องผิดพลาดแนละ้วท่านลองคิดดูท่านจะวิ่งเข้ายัางไงเนะี่ยท่านจะวิ่งยังไงให้มันถูกช่องที่ความเกิดเป็นมนุษย์เนะ่ยอันนี้โอปปามานี้ยังง่ายกว่ายังง่ายกว่าการได้อัตภาพในการเป็นมนุษย์ท่านบอกเอ๊ะทําไมถึงมนุษย์เยอะมาก็บอกเนี่ในกุฏิหลังเนี้ยอบัยศัสตร์นะ่ยหลายโกดแต่มีมี ม, มีพระเรานั่งกันอยู่แค่สามองค์สี่องค์ท่านคิดแค่นี้ ท่านจะเห็นว่ามันน่ากลัวสังสารวัตรที่มันน่ากลัวมากฉะนั้นการอุปการได้อนานาผ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นเรื่องยากการถึงพร้อมด้วยขนาดก็เป็นเรื่องยากการบวชการบวชก็เป็นเรื่องที่ยากการได้ฟังพระธรรมเป็นเรื่องที่ยากพระธรรมที่พระบรมศาสดาทรงประทานเป็นโอวาทอย่างนี้ก็จะมีประมาณนะบางครั้งก็ระดับทีคณิกายบางครั้งก็ระดับมัชฌิมานิการนะ ภิกษุบางพวกก็ทูลขอกรรมฐานบางพระองค์ก็ประทานพระองค์ก็ประทานกรรมฐานที่เหมาะสมแก่จริยาแก่จริตของภิกษุเหล่านั้นจากนั้นภิกษุทั้งหมดก็ถวายพิวาาพระบุรุษผู้มีพระเจ้าแล้วก็กลับไปที่พักของแต่ละท่านบางพวกก็ไปยังป่านะบางพวกก็ไปบริเวณต้นไม้บางพวกไปสู่ภูเขาแห่งใดแห่งหนึ่งบางพวกก็ไปบนสวรรค์นู่นชัญจ่าตมหาราชิกาตาวติงสายามาดุสิตนิมมาจารดีปรณิมิสวาสวัสดีนี่พวกที่มีอิทธิฤทธิ์ทั้งหลายจึงไปเจริญก็ สมาบัติของท่านตามสถานะของท่านนี่นะแต่แต่อย่างเรานิ่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ที่ตรงไหนเนี่ยกลับบ้านกลับบ้านติดตามข่าวโตกใจอีกแล้วไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์เลยเดี๋ยเนะเอามาวาดีมันเป็นเครื่องวัดใจชาวพุทธว่าเราจะเดินผ่านมันได้ยังไงใช่ไหมอย่า ง, ยงนี้ดี มันจะได้เป็นเครื่องวัดว่า น, นี่งไงพุทธแทหรือพุทธเทียมเนี่ยมันจะเดินผ่านได้ไวเนี่ยเมื่อเจออุปสรรคข้างภายในภายนอกถมเข้ามาเนี่ยจะเดินผ่านได้ไหมถ้าไม่มีภัยเลยเนี่ยแรงเลยเนี่ยเราบางทีก็ประมาทใช่ไหมวิธีคิดของของพระพุทธเจ้าเวาพระองค์เตือนเนท่านเตือนแรงท่านจะเตือนว่าภัยเหล่านี้จะมีมาใช่ไหม เนี่ยตอนนี้ประชาชนสงบสุขกันดีแต่จะมีบางคราวที่ประชาชนเขาแตกแยกกันถึงวารานั้นท่านจะเจริญกุศลไม่สะดวกอย่างเงี้ยฉะนั้นต้องระดมความเพียรเพื่อถึงทำบรรลุธรรมแล้วก็ทําให้แจ้งอา้าวถึงคราวหนึ่งเกิดแตกแยกกันแต่มันยังพอเจริญกุศลได้เนี่ยต้องระดมความเพียรเพราะถึงกระบางคราวมันจะต้อง ห, อหอ่อผ้าห่อผอนออกจากบ้านกันแล้วมันจะไม่ได้มีโอกาสเจริญกุศลกันแล้วเนี่ยเอันนี้ก็ต้องระดมความเพียรพระเจ้าจะสอนแบบเนี้นะ งั้นจริงๆในที่สุดจริงๆก็คือเป็นปัใจจัยในการที่เราจะต้องระดมความเพียรในการที่เจริญกุศลเพื่อถึงธรรมตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีจากนั้นพระผู้เป็นภาเจ้าก็เสด็จเข้าพระคันทกดีก็ทรงก็จะทรงพักก็คือว่าทรงมีพระสติสัมปชัญญะสำเร็จสีหาสายญาโดยพระโดยข้างขวาครู่หนึ่งพอพระพระวรากายเสร็จก็เสด็จลุก ข, ขึ้นตรวจ ด, ดูโลกในภาคที่สองเนาะ ในภาคที่สามประชาชนหมู่ใหญ่นะในนิคมที่พระองค์ทรงพระกระสยอยู่ก็ถวายทานผู้ได้ถวายทานในเวลาก่อนฉันแล้วถึงเวลาหลังฉันก็จะนุ่งห่มเรียบร้อยถือของหอมดอกไม้เป็นต้นมาประชุมกันในวิหารจากนั้นเมื่อประชาชนมาประชุมพร้อมกันแล้วพระปรมศาสสดาก็เสด็จไปอย่างมีปฏิหารอันสมควรประทับนั่งณนะพุทธอานที่จัดไว้แล้วก็ทรงแสดงทําให้เหมาะสมแก่กาลสมัย พอทรงทราบว่าพอแก่การเวลาแล้วก็ทรงส่งประชาชนกลับประชาชนก็พากันอธิวัฒถวายอภิวาทพระบรมศาสดาแล้วก็กลับไปนี้จัดเป็นการปัจฉาพักิจคือกิจหลังจากฉันที่พระเจ้าจะทําแบบนี้นะเราต้องการอยากจะดูพระพุทธเจ้าทํากิจอย่างนี้ยเวลาอุบัติเกิดขึ้นเป็นพระเจ้าพระบรมศาสดาทรงกระทํากิจหลังฉันเสร็จแล้วถ้าทรงประสงค์จะรดน้ำพระวรากายนะีก็จะเสด็จลุกจากอาสนะ เข้าที่ทรงน้ำทรงใช้น้ำที่พระอุปถากจัดไว้รถพะวรกายให้ชุ่มเย็นภิกษุที่อุปถากก็จะนำอาสนะมาปูราดในบริเวณพระคันตะคดีพระบรมศ า, ศาสดาก็นุ่งผ้าดแดงสองชั้นคาดพะคตเอลห่มอุตราสง์เฉียงบา่าก็คือพระอัศพระอังสะนี่น ะ, สะเสด็จมาประทับนั่งณนะที่นั้นทรงพักหลีกเล่นอยู่พระองค์เดียวครู่หนึ่ง ต่อจากนั้นภิกษุทั้งหลายก็จะมาจากที่พักแล้วก็เฝ้าพระบรมศาสดาอุปถากบรรดาภิกษุที่มาบางพวกก็จะทูลถามปัญหาบางพวกก็จะถามกรรมฐานบางพวกก็จะทูลขอฟังพระสัตธรรมพระบรมศสาสดาทรงกระทํำความตามประสงค์ของภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดอย่างบริบูรณ์เลยทรงบำเพ็ญพุทธกิจตลอดยามต้นนี้จัดเป็นปริมายามกิจคืกิจในยามต้นเป็นด้วยอาการอย่างนี้เห็นไหมใครที่เข้าเฝ้าพระเจ้าจะไม่ผิดหวงัง จะไม่ผิดหวังเลยพอเสร็จกิจนยามต้นภิกษุถวายพิวาตลากลับไปที่พักเทวดามื่นโลกธาตุมื่นโลกธาตุทั้งสิ้นได้โอกาสเข้าเฝ้าพระผู้มีจาคเจ้าทูนถามปัญหาที่ตั้งไว้ปัญหามากไม่ต้องพูดถึงแม้ปัญหาสี่อักษรสี่อักขระพระบรมศ า, ศาสดาก็ทรงแก้ปัญหาเหล่านั้นจนล่วงมัชฉิ ม, มยาม ลองดูที่นี้ลองดูกิจที่พระพุทธเจ้าทำเห็นไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยกิจไม่มีแต่กิจที่เป็นประโยชน์เพราะพระองค์ละทิ้งกิจที่ไม่เป็นประโยชน์ได้หมดสิ้นแล้ว <c oughs> นี้จัดเป็นมชัชยามากิจคือกิจในยามตลอดกลางพอช่วงปัดชิมยามากิจเนะี่ยในช่วงแบ่งในปัดชิมยามากิจเนะี่ยถ้ายังเราก็พักตลอดเลยใช่ไหมพระองค์ก็แบ่งเป็นสามตอนท้งเปลี่ยนพักผ่อนด้วยความเมื่อยล้า พราะสภาพของขันเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นใช้มากก็เมื่อยละก็ประทับโดยการที่ว่าช่วงเวลาตั้งแต่ก่อนฉันมาเนี่ยโดยมากก็แทบไม่ได้พักผ่อนเลยนะจึงจงกรมเพม่อการพักก็คือพระองค์ก็เสด็จจงกรมไปมาเมื่อเสด็จจงกรมไปมาแล้วก็เสด็จเข้าพระคันตกดีทรงมีสติสัมปชัญญะสาเร็จศรีหาสัย ญ, ญาตในตอนที่สองพอในตอนที่สมลุกขึ้นประทับนั่งตรวจดูโลกโดยพุทธจักรสุ เห็นไหมเมื่อตรวจดูเบ็ดเสร็จแล้วเพื่อหาบุคคลที่ได้สร้างบารมีเช่นทานบารมีศีลบารมีเนคขมารบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีเป็นต้นในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนะนี้จัดเป็นปัดชิมยามกิจนะเป็นกิจในยามสุดท้ายนี้คือพุทธกิจ5ประการที่พระบรมศาสดาทรงกระทําอย่างไม่ย่อท้อแล้วก็ทําอย่างยาวนานทําอย่างยาวไกลและแม้กิจเหล่านี้ตอนนี้พระบรมศาสดาจะเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว แต่กิจเหล่านี้ยั ง, ย, งยังทําอยู่คือพระธรรมเทศนาของพระ อ, องค์นั้นเป็นศาสดาของพระผู้มีพระเจ้าพระิ้าบอกดูก่อนอนนท์ทำวินัยจที่ตถาคตสแสดงแล้วบัญญัติแล้วทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอหลังการล่วงไปแห่งเราท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าท่านเป็นบัณฑิตท่านมีตาดีทั้งหลายท่านจะเห็นพระบรมศาสดาทรงกระทํากิจทั้งห้าประการนี้อยู่แต่ท่านเห็นไหมล่ะ ถ้าเห็นนะท่านจะได้รับประโยชน์จากการที่พระบระมาศ า, าสดาทรงสเสด็จาลิกทรงสเดรงสด็จกระทากิจต่างๆทรองแสดงธรรมทรงสาธยายธรรมอะไรต่รงยายงๆเหล่านี้เราท่านทั้งหลายจะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ด้วยแต่ถ้าคนพารชนทั้งหลายคนที่เขา ม, มืดมิดด้วยอกุศลและจิตครอบงำจิต ข, ข, ของเขาเนี่ยทำให้จิตของเขาน่บอดไม่สา ม, มารถเห็นพระบระมาศ า, าสดากระทากิจแล้วท่านเหล่านั้นก็จะเสียหาย เราท่านทั้งหลายต้องเอาม่านตานี่นะที่มันปิดบังไว้อย่างมิชิดให้ออกเสียเราจะได้เห็นหลางๆบ้างว่าตอนนี้พระรมศ า, ศาสด า, าทรงทํากิจอะไรให้กับเราท่านทั้งหลายแล้วเรากําลังจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในการฟังธรรมในการปฏิบัติธรรมตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วตอนนี้เราจะได้ทุนใช่ไหมเออถ้าพระพุทธเจ้ารู้อัธยาศัยของเราว่าเราเหมาะสมเกตสรารณคมเราจะได้ตั้งมั่นในสรารณคมให้มั่นคงจะได้ทําสารณาไม่หวั่นไหว ถ้ารู้อัตฉิยาศัยของเราจะเป็นผู้ตั้งมั่นในศีลห้าศีลสิบเป็นต้นเหล่านี้เราจะได้รับประทานหรือรับเอาศีลห้าศีลสิบที่พวกโรมัสาสดาทรงประทานไว้เอามาบริหารในกระแสขันทาริยตนะของเรานี่อย่างตั้งมั่นไม่หวั่นไหวหรือสมถาวิปัสนาที่ยังไม่เดินในใจของเราได้เราจะได้เดินสมถะและวิปัสนาในกระแสขันของเราให้ชัดเจนหรือถ้าอัจฉิยาสัยของเรามันเต็มมันเพียงพอต่างๆเราจะได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเป็นต้นบ้าง หรือถ้าไม่เต็มถ้าเราเป็นผู้มีจิตในการบริหารหรมีคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นเพ็ญวัดที่ท่านบอกว่าคตถปัจจาคติกวัดเนะี่ยวัดในการไม่ทิ้งกรรมฐานนะ่ยไปที่ไหนก็มีกรรมฐานอยู่ด้วยอยู่ตลอดเวลาถามว่าถ้าเรามีวัดอย่างนั้นจริงๆเนะี่ยถามบอกว่าเราปลอดภัยอ่ะ บางครั not, ้งเราอาจจะได้บรรลุในปฐมยามถ้าไม่ได้บรรลุในปฐมยามมาชิมยามเป็นต้นอะนรเนี่ยนะหือปฐมวัยไม่ได้บรรลุในปฐมวัยจะบรรลุในปัจฉิมวัยมาชิมวัยนะถ้าไม่ได้บรรลุในมาชิมวัยจักไปบรรลุในปัจฉิมวัยถ้าปัจฉิมวัยนั้นไม่ได้บรรลุจักบรรลุตอนใกล้ตายถ้าใกล้ตายไม่ได้บรรลุจะได้เป็นเทวดาเมื่อไปเป็นเทวดาได้ฟังธรรมจากเทวดาจะได้บรรลุถ้าไม่บรรลุในการไีเป็นเทวดาเบียเสร็จนะถ้าสังสารวัฏยาวไกลเบ็ยดเสร็จเหล่านี้จะได้เป็น ถ้าหากว่ามาเจอพระทีเจ้าองค์ต่อไปจะได้บรรลุเหมือนพระพายยะธาลุจริยะเป็นต้นเะไเนี่ยนะหรือจะได้บรรลุอย่างไครจะได้เป็นอย่างภาษารืบุตรจะได้เป็นอย่างพระโมคคัลลานะจะได้เป็นอย่างผ้านนจะได้เป็นพระมหากระสอบเป็นต้นจะได้เป็นพผ้านุรุธาหรือจะได้เป็นอย่างพระโมคคัลลานะอย่างนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้อดีตของท่านน่ยก็คือเป็นวัดท่านบำเพ็ญวัดในการไม่ทิ้งกรรมฐานทั้งนั้นสูงสุดจริงๆสูงระดับกลางๆจริงจะได้เป็นพระปเจก หรือถ้าหากว่าเป็นไปตามลําดับจริงๆท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าว่างั้นนะลองคิดดูเดี๋ยวน่าสนใจไหมล่ะวัดในการไม่ทิ้งกรรมฐานเนี่ยไม่ทิ้งสมถาวิปัสนาไม่ทิ้งศีลสมถาวิปัสนาไม่ทิ้งศิกขาสามนี่นะจกเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตได้ก้ว่างั้นก็ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดไหมก็เป็นสิ่งที่น่าคิดฉะนั้นเรื่องราวในการที่พระบรมศาสดาทรงสร้างบา ร, รมีโดยเฉพาะก็คือว่าครั้งที่แล้วได้พูดถึงในเรื่องของพระ พุทธเจ้าเนี่ยพระตันหังกรเมทางกรสารนางกรแล้วก็ทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่าเนี้นะที่มายังได้สาธยายบอกว่าเวลาจะบูชาพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยที่เราบูชากันเป็นต้นเหล่าเนี้เนี่ยที่เกี่ยวในเรื่องของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยพระตันหังกรเนี่ยก็ได้ว่ามาตามลําดับแล้วก็ได้บูชาพุทธเจ้าทั้ง หลายตามลำดับเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าในอดีต27พระองค์ในสารมันดกับสี่พระองค์มีพระตันหังกรเมทางกรธนนางกรแล้วก็เมทางกรท่านกล่าวพระนาคาถาบูชาพุทธเจ้าก็ไว้บอกว่าตันหังกโรมหาวิโรสพัโลกานุกัมปโกวันตสังสารคมโน สัพพากามัทโทสดาพระทันหังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเกล้วกล้ามากผู้ทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกทั้งปวงผู้ทรงละการท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏแล้วผู้ทรงประทานสิ่งที่น่าปรารถนาทั้งปวงในการทุกเมื่อสัพาวิทูสัพาวิทูสัพาเทวาครุตตาโม О สัพพาสวะปริกิโนสทาโสทิงกโรตุโนทรงครอบงำทำทั้งปวงทรงรู้แจ้งทำทั้งปวงทรงเป็นครูผู้ยอดเยี่ยมกว่าเทวดาทั้งปวงสิ้นอาสวะทั้งปวงแล้วโปรดประทานความสวัสดีแด่ข้าพระองค์และท่านทั้งหลายในการทุกเมื่อเถิดก็เล่าไปแล้วประวัติพระ ันหังก่อนแล้วก็พระเมธังกรเนี่ยนะเมธังกรก็ท่านสาธยายเข้าไว้เป็นบาลีคำแปลบอกว่าวารวารวารกวาราลักขนาสมุมมันปโนเมธังกโรมหามุนีชุตินทโรมหาสิริสวัณนคิรีสั น, นิโภ บอกว่าพระเมธังกรสัมมาสัสมพุทธเจ้าผู้ทรงถึงพร้อมแล้วด้วยพระลักษณะอันเลิศผู้ทรงเป็นพระมหามุนีผู้ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรืองผู้มีพระสิริอันยิ่งใหญ่ผู้ทรงเปรียบประดุจดังภูเขาทองนี่นะทิพารู ป, ปรมหากายโยมหานาโทมหภาโลมหาการุณีโกสธา มหาสันติงโรตุโนโทรงเป็นพระบรมศาสดาผู้มีรูปเพียงดังรูปทิพย์มีพระกายใหญ่เป็นที่พึ่งพิงอันยิ่งใหญ่มีพระกำลังมากกำลังในที่นั้นคือทศบรลยานเป็นต้นเหล่านี้นะทรงประกอบไปด้วยพระมหากรุณาที่คุณโปรดกระทําความสงบอันยิ่งใหญ่แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยการทุกเมื่อเธอประการต่อมาก็คือพระสารนังกร มหาโมหาตามังหันตวาโยนาทโทสรนังการโอเทวาทเวาทเวามนุษสานังโลกานันจ่าหิตังกรารโอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระนามวาสารนังกรทรงกำจัดความมืดคือโมหะอันยิ่งใหญ่ได้แล้วปกตินี้พระองค์ครจัดโมหะให้กับตนเองนั้นก็สมควรก็ถือว่ายิ่งใหญ่อยู่แล้วใช่ไหม แต่โมหะของสัตว์โลกทั้งหลายในอดีตที่ผ่านมานั้นน่ะพระสรัทธรรมกรสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านขจัดโมหะให้ ก, กษัตริย์ทั้งหลายได้อย่างสิ้นเชิงและท่านเหล่านั้นก็ข้ามสังสารวัตได้หมดสิ้นไปแล้วเป็นที่พึ่งกระทำความเกื้อกูลเดีเทวดาและมนุษย์ผู้ไม่ใช่เทวดาและมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายพยามาปาปะารุจิโต นิโคระธาปริมันดาโลนิโคระธาปากาบิมโพโทสทาโซทิงกะโรตุโนทรงมีพระราชมีวาหนึ่งอนุรุงเรืองยิ่งทรงมีปริมนทนเพียงต้นนิโครธทรงมีริมพระโอษเพียงดังผลตำรึงสุขที่ต้นนิโครธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นโปรดกระทำความสวัสดีเด่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการทุกเมื่อด้วยเถิดึ การต่อมาก็องค์ครั้งที่แล้วได้พูดเนี่ยองที่ว่าเป็นผู้ได้พยากรสุมเมธาดาบทเนี่ยนะอสิติราตะนเพโดทีปังกรโรมหาหมุนีปภานิทาวเตตสาธาเนทวาทสยโยชน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรทรงมีพระ ก, กายสูงแปดสิบอกทรงเป็นพระมหามุนีพระสมีของพระองค์แผ่ไปในที่าสิบสองยศวัสสตาสหาสานีทัตตวาโรโอเกวินายโกโลกาโลกากรสธาสธาโซทิงกรตุนโน พระองค์ทรงมีพระชนอยู่ในโลกหนึ่งแสนปีทรงแนะนําสัตว์โลกทรงเป็นผู้กระทำแสงสว่างให้แก่โลกและก็ทรงเป็นพระาศาสดาโปรดกระทำความสวัสดีแด่ข่าพระองค์ทั้งหลายในการทุกเมื่อด้วยเถองค์นี้สำคัญที่เราท่านทั้งหลายศึกษาชีวประวัติของท่านค่อนข้างเยอะนในครั้งที่แล้วได้พูดถึงว่าพระบระมาศาสดาทีบังกรสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละ ที่ท่านเป็นผู้พยากรณสุมเมธาดาบนะซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าที่เราท่านทั้งหลายได้เกิดทันตงเนี้ยนะท่านได้พยากรณว่าท่านผู้นี้จะได้ตัดสูรุต ร, ส, รสัมมาสัมโพธิญาณใช่มเมื่อได้พยากรณเพยากรณกาบอกพยากรสุมเมธาดาบทที่ท่านพยากรณนั้นเน่ะพอพยากรณ์ไปตาม ที่สุเมธาดาบทเนี่ยได้สร้างบารมีมาใช่ไหมอย่างยาวไกลเป็นต้นแล้วพระองค์ก็ได้ชี้ไปบอกว่าท่านผู้นี้ต่อไปจะได้ตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระผู้มีพภาคเจ้าในอนาคตมีพระบิดามารดา ม, มีพระสาวกเป็นต้นเหล่านี้เป็นต้นเป็นไปตามลําดับที่ได้รับพยะที่ได้พยากรณ์เป็นปัจจัยทําให้เราท่านทั้งหลาย ถ้าถามบอกว่าในตอนที่สุมเมธาดาบทเนี่นะท่านได้รับพุทธพยากรเนี่ยนะท่านก็ประชุมมาพินิหารประชุมมาพินิหารเนะ่ยสุมเมธาดาบทท่านนอนอยู่บนตมแล้วก็คิดต่อไปว่าถ้าเราพึงปราถนาไซเราก็พึงเป็นสังฆอนนาวกะเผากิเลสทั้งหมดแล้วก็เดินเสด็จตามไปยังรัมมานคร แต่เราไม่มีกิจที่จะเผากิเลสแล้วบรรลุพระนิพพานด้วยเพศที่ไม่มีใครรู้จักด้วยการทําให้แจ้งธรรมในพุทธเจ้าองค์นี้ท่านก็บอกว่าวันนี้เราจะสละชีวิตเพื่อพระทศพลก็ควรจึงตกลงใจว่าขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยาเยียบที่ตมเลยขอทรงยเยียบหลังของเราและเสด็จไปพร้อมกับพระขีณาสพสี่แสนรูป เหมือนทรงเหยียบสะพานที่บนแผ่นกระดานเป็นแก้วผลึกเทิดข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เราตลอดกาลนานดังนี้แล้วก็เปลื้องผมปูราดท่อนหนังชดาผ้าเปลือกไม้ลงที่ตมซึ่งมีสีดำแล้วก็ทอดตัวนอนบนหลังตมในที่นั้นนั่นเองด้วยประสงค์ว่าขอให้พระผู้มีพระเจ้าพร้อมสิทธิของพระองค์ ต้องเหยียบเราเสด็จข้ามไปอย่าเหยียบที่เป็นตมเลยข้อนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เราท่านก็นดํารีบอกว่าเราจากบรรลุสัมมาส พ, พนยุตยานเป็นพระเจ้าในโลกพร้อมทั้งเทวโลกถ้ากอะไรเราพึงเป็นเหมือนพระทีบังกรพระทศพลบรรลุปรมาภิสมมาโพธิญาณขึ้นสู่ธรรมนาวายังมหาชนให้ข้าม สังสาราสาครแล้วจักปรินิพานในภายหลังนี้เป็นการสมควรแก่เราแต่นั้นไปก็ประชมอะไรประชมทำแปดประการลงนอนทำอภิธิหารเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าตรงนี้นี่แหละถ้ามาพิจารณาอย่างนี้จะเห็นว่าพระบรมศาสดาเนี่ยนะท่านมาพิจตอนนั้นที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านกล่าวว่าปัญญาของท่านนี่กว้างไกลมาก ถ้าท่านจะตัดสรู้ตามพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านฟังธรรมไม่ถึงบาทสี่บาทคาถาท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ทันทีนเนี่ยนะแต่ท่านก็มาพิจารณาบอกว่าการที่ผู้ที่มีกําลังเช่นท่านหรือมีจิตใจระดับท่านเนี่ยถ้าจะมาบรรลุแล้วก็เป็นแค่สังขันนวกาเดินตามภิกษุสงฆ์สี่แสนลูปนั้นไม่สมควรทีนี้ก็เลยมีการที่ท่านก็เลยมาพิจารณานี่ยแหละเกีย่ยวในเรื่องของ อภินิหารนะ่ความประชุมพร้อมย่งทำแปดประการความเป็นมนุษย์เป็นต้นที่บอกว่ามนุสตังริงคสัมปติเหตุสัทธารถสานังปปัชาคุณสัมปติอธิกาโรจะชนทตาอัตธรรมสมุทานา อาพินนหาโรโอสมิชาติบอกว่าอภพินิหารย่อมสาเร็จความเป็นการประชุมพร้อมกันอย่างทำแปประการก็ถือว่าความเป็นมนุษย์หนึ่งความถึงพร้อมได้เพหเศหนึ่งเหตุหนึ่งการเห็นพระบรมศาสดานึ่งการบรรพชาหนึ่งการถึงพร้อมได้คุณหนึ่งอธิการะหนึ่งแล้วก็ฉันทะคือความตั้งมัน่นคือความพอใจอย่างแรงกล้าหนึ่ง ในเหตุทั้งแปดประการ น, นั้นน่ะนะเป็นอภินิหารอภินิหารที่บอกบอกว่าตินโนตาเร ย, ยังมุตโตโมเจยังทันโตธรรมยังสันโตธรรมยังอัสันโทอสสารยังเป็นต้นที่บอกว่าเราข้ามแล้วจกยังสัตว์อื่นให้ข้ามด้วยเราพ้นได้แล้วจะให้สัตว์อื่นพ้นด้วยเราฝึกแล้วจะให้สัตว์อื่นฝึกแล้วด้วยเราสงบแล้วจะให้สัตว์อื่นสงบแล้วด้วย เราหายใจคล่องแล้วพึงให้สัตว์อื่นหายใจคล่องด้วยเราปรินิพานแล้วพึงให้สัตว์อื่นปรินิพานตามด้วยเราบริสุทธิ์จากราคะโทสะโมหะแล้วจักให้สัตว์อื่นบริสุทธิ์จากราคะโทสะโมหะด้วยเราตัดสรู้แล้วพึงให้สัตว์อื่นตัดสรู้ตามด้วย <The> mm. เป็นต้น ฉะนั้นการที่พระโพธิสัตว์ท่านตั้งอัธยาศัยในลักษณะอย่างนี้นั้นท่านต้องมุ่งมั่นไหมมุ่งมั่นมัอธิฐานนธรรมเนี่ยท่านต้องชัดเจนความตั้งใจต้องมุ่งมั่นความแน่วแน่โดยชนิดที่ไม่แปรผันเป็นอย่างอื่นถ้าอะไรจะมาขวางกัน้นท่านเนี่ยขวางไม่ได้แปลว่าท่านจะต้องเดินให้ถึงสัมมาสัมโพธิญาณให้ได้ยิ่งพระบรมศาสดาทีปังกรสัมมาสมุทัเจ้าพยากรโตมไปเนี่ยโอ้โหยท่านยิ่งเห็น สัมมาสัมโพธิญาณเสมอเหมือนหนึ่งว่าจะปรากฏ ก, กับท่านในวันพรุ่งนี้ท่านเห็นอย่างนั้นเลยเห็นขนาดนั้นนะท่านเนะ่เราเราเวลาฟังธรรมของพระบระมา ศ, ศาสด า, ศ า, ศาเราเห็นเราเห็นโสดาบดีมักจะเกิดวันพรุ่งนี้ไหมลิปลีไหมถ้ามุ่งมั่นเนี่ยว่าได้แน่ต้องได้แน่แน่เสมอเหมือนหนึ่งว่ามักจะเกิดกับเราในวันพรุ่งนี้ท่านคิดอย่างนี้นะ ขั้นที่ต้องไปถามท่านที่บรรลุทั้งหลายท่านจะบอกในพรตัยวีดกท่านบอกท่านคิดแบบนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่ท่านสร้างบารมีมาแต่ละองค์เนี่ยท่านคิดแบบนี้ท่านเห็นสัมมาสัมโพธิญาณที่ปลายจมูกจริงๆท่านเห็นอย่างนั้นจริงๆงั้นท่านถึงอะไรมาเป็นอุปสรรคในการกัดกวางท่านยึงไม่หวั่นไหวท่านไม่หวั่นเลยเลยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ ตรงนี้ในกรณีในลักษณะอย่างนี้ที่บอกว่าการประชุมอัทธาสโมธานคือทำแปดประการก็เรียกพินิหารนั่นเป็นชื่อของมูลปณิธานคือความปรารถนาเป็นปัจจัยเบื้องแรกมูลปณิธานที่เป็นปัจจัยเบื้องแรกก็คือว่าในการประชุมทำแปดประการเหล่านั้นความเป็นมนุษย์ได้แก่มนุษย์ชาตินะนอกเสียจากมนุษย์แล้วปณิธานของบุคคลผู้ดำรงอยู่ในชาติที่เหลือทั้งหลายไม่ใช่แม้ชาติเทวดาในชาติหน้าครุดเป็นต้นก็ย่อมสําเร็จไม่ได้เพราะอะไร พ่ออะไรจึงสําเร็จไม่ได้เป็นเท้ามหาพรหมก็ไม่ได้เพราะไม่มีความสมควรแก่ความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะบรมศ า, ศาสดาทั้งหลายจักไม่มาในเพศของพระมหาพรหมนะจะมาในเพศของพระพุทธเจ้าเท่านั้นฉะนั้นแม้คุณจกักจะได้รับพุทธญาณกร น, นี่นะคุณก็จะต้องอยู่ในเพศของความเป็นมนุษย์แล้วไม่ใช่เป็นมนุษย์บ้าใบาบอดหนวลด้วยเป็นมนุษย์ที่เป็นตี๋เหียทุกข์กับบุคคลนะ ต้องเป็นมนุษย์บริบูรณ์จริงทีเดียวบุคคลที่จะดำรงเป็นมนุษย์ชาตินั้นเมื่อปารบความเป็นพระเจา้ากระทําบุญกรรมทั้งหลายมีทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมารบารมีไปจนถึงอุเบกขาบา ร, รมีเป็นที่สุดแล้วเนี่ยพึงประสงค์ความเป็นมนุษย์เท่านั้นผู้ดำรงอยู่ในมนุษย์ชาตินั้นพึงตั้งปณิธานเพราะว่าอภินิหารย่อมสําเร็จได้ด้วยประการอย่างนี้อภินิหารต้องสําเร็จได้คําว่าอภินิหารคืออะไรมูลปณิธาน ความปรารถนาที่เป็นปัจจัยเบื้องแรกเขาเรียกอภินิหารเรามีบ้างอยังมีอภินิหารตะ้อกไหมประการต่อมาก็คือความถึงพร้อมได้เพศอันนี้ก็เป็นอภินิหารเป็นมูลปณิธานคือความปรารถนาเป็นปัจจัยเบื้องแรกความถึงพร้อมได้เพศได้แก่ความเป็นบุรุษปณิธานของสตรีของกระเทยของอุปตโตปยัญชนากะแม้ดำรงอยู่ในมนุษยชาติก็ย่อมสําเร็จไม่ได้ทําไมถึงไม่ได้ เพราะเหตุตามที่ได้กล่าวมาแล้วคือความไม่มีความสมควรแก่ความเป็นพุทธเจ้าไม่ได้ปรารถนาได้แต่พยากรณ์ไม่ได้ถ้ายังเป็นสตรีเพศถ้าต้องการต้องให้เป็นบุรุษเพศเพราะถึงจะสมควรต่อการเป็นพระพุทธเจ้าลองคิดดูทีแม้จะพยากรณไว้นะยังต้องเหมือนอย่างนี้นะท่านนึงอเหมือนคนที่จะเป็นราชกุมารเนี่ย คนที่จะเป็นราชกุมารเนี่ยต้องสมบูรณ์นะถ้าพิการก็ไม่ได้ใช่ไหมเป็นต้นแล้วเนี่ยเป็นหญิงก็ไม่ได้หญิงเป็นราชกุมารไม่ได้ถ้าเป็นราชกุมารีได้เป็นราชกุมารไม่ได้นี่เป็นอย่างนี้นะเพราะไม่มีไม่มีความบริบูรณ์แห่งลักษณะเพราะสมเด็จพระพูทธมีพระเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุท์ทั้งหลายการที่สตรีพึงเป็นพระสารดสามมาสมบูรณเจ้านั้นข้อนั้นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะเป็นไปได้ไปอยู่ในไหนฐานาฐานญาณ สิประการเพราะเหตุนั้นความปรารถนาจึงไม่สำเร็จแก่มนุษยชาติผู้ตั้งอยู่ในเพศสตรีหรือกะเทยเป็นต้นจริงทีเดียวบุคคลผู้ดำรงอยู่ในมนุษยาชาตินั้น น, น, นะเมื่อปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้ากะระทาบุญทั้งหลายมีทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเป็นต้นพึงประสงค์ความเป็นบุรุษเท่านั้นผู้ดำรงอยู่ในความเป็นบุรุษนั้นพึงตั้งบณิธาน ก้าวคือพิธิฐานีน่สำเร็จได้ด้วยประการอย่างนี้ประการที่สมก็คือเหตุตูเหตุเหตุเนี่ยนะเหตุในที่นั้นได้แก่ความถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยอุปนิสัยก็คือความเป็นพระหันนะบุคคลใดพยายามอยู่ในอัตภาพนั้นสมมติว่าในอัตภาพนี้นะเราจะบรรลุก็บรรลุได้ทันทีบบรรลุได้เลยฟังทำอย่างพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุได้นะสเร็จแก่ บ, บุคคล คนที่ไม่มีโอกาสบรรลุในอัตภาพนั้นๆเลยเนี่ยจกไม่ตั้งอภินิหารได้เหมือนอย่างใครเหมือนอย่างสุเมธัณฑิตเป็นความจริงไหมจริงสุเมธัณฑิตนั้นบนรรพชาที่บาทมูลของพระพุทธเจ้านามว่าทีบังกรใช่ไหมได้เป็นผู้สามารถที่จะบรรลุเป็นพระหันในอัตภาพนั้นได้เลยความปรารถนาย่อมสำเร็จแก่มนุษย์บุรุษผู้บริบูรณ์ด้วยอุปนิสัยในการที่เย้แทงตลอด เป็นพผ้าหันเท่านั้นจึงจะมีโอกาสในการที่จะตั้งอภินิหารหรือมูลปณิธานความปรารถนาเป็นเบื้องแรกเป็นต้นและได้รับพุทธพยากรเป็นต้นได้คําว่าการเห็นาศาสดาหรือการเห็นพระบรมศาสดาได้แก่การเห็นเฉพาะพระพักของพระเจ้าทั้งหลายอยู่ต่อหน้าพระพักเลยด้วยพิณิหารย่สำสําเร็จด้วยประการอย่างนี้หาสําเร็จด้วยประการอื่นไม่เหมือนอย่างที่ได้สำเร็จแก่สมีธาดาบทฉนั้นนะนะ ความจริงก็บอกว่าสุมเมธาดาบทนั้นเห็นพระพุทธเจ้านามวัธีบางกรต่อหน้าพระพักแล้วก็จึงได้ตั้งปณิธานบอกจิงอีกอย่างเดียวก็คือว่าจริงทีเดียวบอกว่าความปรารถนาย่อมสําเร็จแก่ผู้ปรารถนาในสํานักของพระพุทธเจ้าที่ยังทรงมีพระชนอยู่เท่านั้นเมื่อพระผู้พิภาคเจ้าปริิพาน์ไปแล้วความปรารถนาย่อมไม่สําเร็จในสํานักของพระเจดีไม่สําเร็จในที่ คนโพหรือที่พระปฎิมาหรือในสำนักของพระประเจ ก, กพระเจ้าหรือสาวกของพระผู้มีพระเจ้าเอาทําไมความปรารถนาอย่างนั้นจึงไม่สําเร็จไม่สําเร็จเป็นเบื้องแรกที่เป็นอภินิหารนะไม่ใช่ปรารถนาไม่ได้ถ้าปรารถนาต่อนหน้าพุทธปฎิมาหรือเจดีเนี่ยได้สามารถปรารถนาได้แต่จะได้หรือไม่ได้อยู่ที่ท่านนะใช่ไหมจะปรารถนาได้ไม่ได้ ใจเรานะ่สามารถปรารถนาได้แต่ถ้าจะไม่จะได้หรือไม่ได้เราต้องมุ่งมัน่นเพราะความไม่มีแห่งอธิการที่มีกำลังอธิการะจะไม่ค่อยมีกำลังแล้วแต่ถ้าอยู่ต่อหน้าพระพักจริงๆเนี่ยมีกำลังจริงๆอันนี้เป็นข้อบง่งบอกว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยที่จะเจริญกุศลให้ใจเป็นบุญนะ่อยู่ต่อหน้าต้นพระศรีมหาโพธิ์อยู่ต่อหน้าพระเจดีย์อยู่ที่ต่อหน้าพุทธปฏิมากรรมทั้งหลายเนี่ยนะ เราไปอยู่ย okay, si mm ังไงก็ใจเราก็ตั้งได้ไม่เหมือนพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่มาคอยตั้งหลายครั้งยังทาไม่ได้เหมือนกันนะไม่ใช่ไปตั้งบานะอย่างนั้นนะเดี๋ยวเขาใจผิดตั้งในการที่จะเจริญกุศลให้มุ่งมั่นเนี่ยไม่ไม่ค่อยแข็งแรงมากมากนะนะได้ได้สักไม่กี่ชั่วโมงนตะเข้าแต่เข้ามันจะค่อยๆถอยลงมันจะค่อยๆถอยลงไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่ามาเป็นๆเงิน่ะ แต่อาศัยตังว่อย